เกี่ยวกับเรื่องการฟังธรรมเนี่ยนะถ้าฟังแล้วก็ตั้งอยู่ในความสังวรสํารวมการฟังธรรมทุกครั้งเนี่ยนะเราก็ต้องระลึกไว้เสมอว่าเราคือคนไข้เห็นไหมทำมาโอสถที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเนี่ยเพื่อบําบัดใข้ใช่ไหมบําบัดบาปบําบัดอกุศลทั้งหลายเหนะ็นไหมงันในเรื่องการเมตตาการุณาหวังดีปรารถนาดีต่อกันเนี่ยเป็นเป็นคุณธรรมที่ขาดไม่ได้ เกี่ยวกับเรื่องการฟังธรรมเนี่ยนะก็มาดูมงคลข้อต่อไปเลยนะได้กี่มงคลแล้วเนาะได้กี่มงคลงทำไมพูดไม่เหมือนกันนะ่ะไม่ได้เรียนด้วยกันหรืออนนะขึ้นมงคลที่ยี่สิบหกเนาะเจริญพานแล้วก็มาขึ้นตอนนี้ยังอยู่ในคาถาว่าคารวะจะ นิวาโตจะอะไรสันตุ ธ, ธีจะกตัญญุตากาเลนธรรมสวรังเอตัมมังคลมุตตะมังมนั น, นะก็มาขึ้นการฟังธรรมการฟังธรรมที่ถูกต้องนั้นน่ะฟังยังไงฟังเพื่อบรรเทาความวิตกในการที่จิตประกอบด้วยอุทจัก หรือจิตถูกวิตกทั้งหลายมีการมวิตกเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งครอบงาําชื่อว่าการฟังธรรมตามการฉะนั้นคนที่ฟังธทำนั้นควรจะเลือกเวลาโดยเฉพาะขณะที่อากุศลวิตกเนี่ยนะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฟังทำเนี่ยนะตรงนี้ท่านให้เหตุผลให้เห็นความสําคัญตอนที่ขณะที่อากุศลวิตกมันครอบงาําฟุ้งซ่านแทนที่จะปล่อยความคิดไปเรื่อยเปื่อยนะอ่านพระไตรปิฎกดีกว่าฟังธรรมดีกว่าเนี่ยนะ เมื่อไหรที่ยิ่งฟุ้งเนี่ยยิ่งต้องหันไปหาพระธรรมใช่ไหมอันนี้เป็นความสําคัญอย่างหนึ่งและที่สําคัญมากท่านบอกว่าเวลาที่อกุศลวิตกเกิดขึ้นเวลานั้นแหละเวลาที่สมควรเข้าไปหากัลยาณมิตรเพื่อฟังธรรมถ้ากล่าวถึงพระพิสุในในที่อยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยนะเมื่อใดที่อกุศลวิตกเกิดขึ้นควรจะไปฟังธรรมเพื่อกําจัดราคะ อ่ะ น, นะกำจัดกามวิตกฟังธรรมเพื่อกำจัดพยาบาทวิตกฟังธรรมเพื่อกำจัดวิเหิงสาวิตกเนี่ยนะก็ได้เวลาฟังธรรมแล้วก็คือเวลาที่อักุุนวิตกครอบงํนี่นะมันการฟังธรรมตามการนั้นก็ฟังธรรมเพื่อกำจัดบาปกำจัดอักุุนไม่ให้บาปอักุุลในี่ยกลุ่มรมอีก อีกพวกหนึ่งท่านกล่าวว่าอาจารย์บางท่านแนะนำว่าฟังธรรมทุกๆห้าวันชื่อว่าฟังธรรมตามการทุกๆห้าวันนะของเราพอไหมทุกๆห้าวันคุณพภาไม่พอและนะ้วเนาะเอาทุกวันใช่ไหมแล้ว ว, ว, วันละกี่กี่นาทีไม่ไม่เป็นนาทีแล้วกว็ ว, ว่าเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะ ว, ว, ว, ว, วันละแปดเก้าชั่วโมงเลยนะก็สาธุนั ก็ <c oughs> นับว่ายุคนี้นะเป็นยุคที่ได้ฟังทำมากนะแต่ว่าขีดความสามารถไม่ค่อยมากแต่ถ้าเทียบจํานวนในการฟังมากรุกยุคเราเนี่ยฟังมากจริงๆเนี่ยนะฟังมากอ่านมากเรียนมากแต่รู้ว่าความสามารถไม่มากเนี่ยนะ <c oughs> ที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะคือคือในส่วนที่แง่บุญเก่าก็เยอะล่ะในแง่บุญเก่านะโสตะวิญญาณจักขูวิญญาณเนี่ยตรงนี้เยอะแต่ว่ามโนวิญญาณนี่ไม่ค่อยดีน <c oughs> มโนวิญญาณคือชาววันะไม่ค่อยดีนั ก, ก น, นะก็เลยได้เท่าที่ได้แต่ก็สําคัญสําคัญนะก็ให้ให้ผ่านหูไปก่อนสติปัญญาน้อยเนี่ยหลายรอบเข้าว่าอ่านบ่อยๆ อ, อ่านมากๆพ้องมาเชื่อเลยว่าถ้าใครอ่านเท่าอัตมนะ่ะอ่านพระไตรปิฎกนะเก่งอัตมาเชื่อจริงๆนะมีความเชื่ออย่างนั้นจริงๆไม่เคยมีความรู้สึกว่าเขาเก่งกว่าเรา แต่ถ้าเข้าอ่านใช้เวลาเท่ากันเรียนเท่ากันอะไรเท่ากันไปตรึกไปนึกไปคิดเท่ากันนะพอมาแพ้เขาทุกคนหมดเลยแล้วก็พูดคํานี้มานานแล้วด้วยมีความเชื่อด้วยความสนิทใจบริสุทธิ์ใจจริงๆเลยว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเพียงแต่ว่าเขาเวลาน้อยไปเนี่ยนะเขาเวลาไม่พออาจารย์สันติก็ปรารบถึงคณะที่เรียนด้วยกันที่กรุงเทพเหมือนกันว่าจริงๆก็หลายคนมีความรู้ความสามารถมากแต่ว่าเวลาไม่ค่อยพอ ไม่ทราบเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าลนีให้ <c oughs> ให้พูดเองดีกว่านะครับอืมก็เป็นที่น่าเห็นใจนะว่าอย่างคุณอ้วนเนี่ยนะคุณอ้วนก็คุณอ้วนนะแต่ไม่ใช่นั่งอยู่ข้างๆอีกคนหนึ่งไม่ใช่ชื่ออ้วนเดี๋ยวไะเข้าใจผิดนะนะเดี๋ยนั่งตัวเล็กกว่าเพื่อนเลยอ่ะ คือคุณอ้วนนี้ก็บอกว่าเมื่อคืนตีสามบ้าง น, น, นอนตีสามโอ้โหมาฟังก็ตกใจเลยนะตีสามบ้างตีสี่บ้างตีสองบ้างโอ้โหทำไมได้อยู่ได้ทนขนาดนั้นเนี่ย น, นะแล้วก็ทนอยู่ขนาดนั้นแล้วก็ถ้าคืนเดียวเขา ย, ยังชั่วเลยนะบางทีก็ติดติดกันเลยลหลายคืนด้วยกันก็คือก็อาชีพทางโลกก็ต้องประกอบใช่ไหมพระธรรมก็เห็นคุณจะทิ้งทางโลกมาศึกษาธรรมโดยส่วนเดียวก็ไม่ไหว เรียนแต่ทําเรียนแต่เอาแต่ทางโลกอย่างเดียวก็ไม่ไหวอีกนั่นแหละก็แบ่งทีนี้แบ่งไปแบ่งมามันก็จอยกันไม่ค่อยจะพอนีนะไม่ค่อยจะลงตัวก็นับว่าคือหน้ากรุณาเป็นอย่างมากเลยว่าอดทนเรียกว่าขันติเป็นเยี่ยมอ่ะนะไม่ใช่คนเดียวนี่ยกเป็นตัวอย่างนะหลายคนก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยนะฝากฝ่ายเรียกว่าใช้เดี๋ยวขันติเรียนมงคลข้อขันติแล้วจะได้อีกนะแต่ว่าวิริยินีเนี่ยดูและเชื่อแล้วว่ามีมากจริงๆ นะมีมากมากกันนะมันถ้าแต่ละคนเนี่ยนะถ้าเขามีเวลาศึกษามีเวลาอ่านมีเวลาคนมีเวลาตรึกมีเวลาพิจรารณาเท่ากันกับอาตมานะมีคนส่งกับข้าวกับปลาให้อย่างนี้ทุกวันอยู่ในที่เงียบๆอยู่โคนไม้อย่างนี้ทุกวันเนี่ยนะโอ้ได้ดีไปนานแล้วเนี่ยนะี่ยเขาอาจจะเก่งกว่าด้วยซ้ำไปเนี่ยนะีก็พูดแบบง่ายๆเลยนะอยู่เนี่ยไม่ได้พูดจะยกยอผู้การให้สร้างกุฏิให้หรอกเพราะกุฏิเขาก็สร้างให้เสร็จแล้วแหะ นั่นนะก็คือว่าถ้าเรียนเท่ากันพร้อมกันกับผู้การนะของมาห่างผู้การเยอะ น, น, นะก็ก็เรียกว่าเป็นก้นกุฏิผู้การได้เลยนะนั่นก็คือก็เป็นผู้ที่มีความสามารถอย่างว่าผู้การนี่อ่านหนังสือดูซ้ํากันสี่ครั้งจําได้หมดเลยผู้การลองท่องต้นไม้ใบยญ้าให้บางหน่อยนะ <c oughs> นั่นนะจำชื่ออะไรจำได้เก่งมากจําได้เยอะแยะแต่หมดเลยเพียง <c oughs> แต่เสียดายไม่ได้ถ้าเอาจํมาริยาัพท์นะปัณณิเกือบบรรลุไปแล้ว ว่าไปจําอะไรก็ไม่รู้หน้นที่สาคัญนะักพยายามแบ่งเวลาให้ให้การศึกษาประทับเขาก็มีบางคนนะเขาเขาฟังมา ก, ก น, นะแต่ว่าอันนี้นี่เป็นบางคนนะเขานั่งฟังธรรมนะฟังตั้งแต่เช้าจนค่ำฟังตั้งแต่เช้าจนค่ําเลยนะออกมาเดาแล้วว่าคนนี้ศึกษาอีกไม่นานจะเลิกแล้วก็เลิกจริงๆอย่างนี้อันนี้เกินไปเนะนะแต่ก็อันนี้นี่บางคนนะหน้าที่ไม่ใช่คุณอุไร คุณอรายก็กลุ่มเดียวกันนะนะฟังไม่ยอมลงบ้านลงช่องเลยนะก็เอากันขนาดนั้นเหมือนกันแต่ก็ไม่เลิกกันะแต่บางคนเนี่ยโอ้โหเห็นฟังมากๆเราดูแล้วทําท่าจะเลิกแม่ฟังขนาดนี้นคือคือเหมือนกับเหมือนอาหารที่มันทานเกินไปใช่ไหมเหมือนหลวงพ่อองค์หนึ่งโอ้โหอยากฉันมะพร้าวมากก็เลยเอามาให้ทลายหนึ่งท่านฉันหมดทลายเลยอาเจียนออกหมดหลังจากนั้นก็เลิกฉันมะพร้าวเลยเนี่ย น, ะ น, ะ น, นั่นก็เกินไปใช่ไหมการฟังทำก็ความพอดีนีดจึง สำคัญมากเขาเรียกว่าตามการอันหนึ่ง mm hmm. การใดพิสูจเข้าไปหากาลยานามิตรแล้วอาจฟังธรรมบรรเทาความสงสัยของตนเสียได้การฟังธรรมแม้ในการนั้นเพืงทราบว่าการฟังธรรมตามการ mm hmm. ก็ท่านให้เห็นความสําคัญว่าเป็นการฟังธรรมเพื่อกําจัดนิวรณ์นนะคือจริงๆจะไม่ขัดกับที่อื่นเลยใช่ไหมว่าพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าไพเราะในเบื้องต้นเพราะฟังแล้วกําจัด นิวรณิวรณ์ไม่กลุ้มรุม น, นะภายเราะในถ้ำกลางเพราะว่าปฏิบัติแล้วก็ได้ปีติปราโมทผลของการปฏิบัติในที่สุกก็บรรลุมรุผลเข้าถึงโลกุตระสกนั้นพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นนั้นเราพยายามสังเกตนิวรณ์ของเรานะว่าการฟังธรรมเพื่อกําจัดนิวรณ์ทำยังไงนิวรณ์จะได้ไม่กลุ้มรุมนัม้น ในยุคนี้เป็นยุคที่อุทจักค่อนข้างกำเริบสูงมากเนีนี่วรกลุ่มรุมมากเพราะฉะนั้นการฟังธรรมนี่ก็อย่างน้อยก็บันเทาบาปบันเทาอากุศลเนี่ยนะเพราะว่าถ้าตายตอนอุทจักกำเริบไม่รู้จะไปไหนเนาะเกิดที่ไหนดีคุณโชคดีเอาอความเห็นนะเก็บเก็บไว้เถอะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเนี่ยนะเพื่อกำจัดนิวรเน น, นับว่าเป็นความฉลาดที่สุด ปัญญาของเราทั้งหลายที่มันคิดอะไรไม่ออกเนื่องจากนิวรมันกลุ่มร่มนี่นะถ้าโดยพื้นฐานเนี่ยนะจิตทุกคนเกิดดับเร็วเท่ากันจิตเรากับจิตพระพุทธเจ้าเกิดดับเร็วเท่ากันไม่มีใครจิตของใครเกิดดับช้ากว่ากันเกิดดับเร็วเท่ากันหมดทีนี้เหตุผลที่มันปัญญาไม่ค่อยดีก็หนึ่งผวงมันขั้นมากผวังขาดคุณภาพอย่างหนึ่งนะวังไม่มีคุณภาพแล้วอกุศลแทรก หลายๆสิบระยะจึงจะมีกุศลสักระยะหนึ่งอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เลยทำให้สติปัญญาไม่มีคุณภาพคือเราไม่สามารถดึงเอาจิตมาใช้ได้ตามตามตามความสามารถของจิตที่มันเกิดดับสืบเนื่องกันอย่างรวดเร็วถ้าเก่งเท่าพระพุทธเจ้านะพระองค์นี้ชาวนาพระองค์มีห้าขณะลงพวังก็ลงพวังกี่ขณะหนึ่งขณะถึงสองขณะแล้วก็ขึ้นชาวนะอีกเนี่ย อยู่อย่างนี้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากมันเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการฝึกจิตเนี่ยนะคือจิตไม่ตกไปในอากุศลเลยแล้วก็คุมไม่ให้ชาวนะมันเกิดแม้กระทั่งเจ็ครั้งก็ไม่ให้เกิดพรวังนี้กำหนดให้เกิดเลยนิดเดียวพอแล้วก็เป็นชาวนะพระองค์จึงแสดงย ม, มะกกปาฏิหารได้ถามว่าเรามาดูความอัศจรรย์นะเฉพาะของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือพระองค์นั้นนะ่ะเวลาที่แสดงย ม, มะกะปาฏิหารนะ เนรมิตพระพุทธเนรมิตขึ้นมาหนึ่งองค์ที่มีรมัศมีมีอะไรเหมือนพระพุทธเจ้าทุกอย่างถ้าพระองค์เดินพระพุทธเนรมิตนั่งถ้าพระพุทธเนรมิตนั่งพระองค์คือใช้คนละอิริยาบทเนี่ยนะอิริยาบทเนี่ยเหมือนกับว่าใช้พระพุทธเนรมิตเนี่ยขึ้นแล้วสองต้องให้มีรมัศมีแล้วต้องมีอิริยาบทใช่ไหมแล้วบริษัทที่ประชุมกันเนี่ยนะเป็นพันล้านคนที่มาอยู่แถวๆนั้นทั้งมนุษย์เทวดาเนี่ย เป็นพันล้านแล้วพระองค์ตรวจสอบจิตของทุกคนหมดแล้วระลึกชาติถึงของอดีตของบุคคล น, นั้นทั้งหมดตรวจดูว่าผู้จะบรรลุในนั้นมีกี่คนแล้วต้องแสดงทำด้วยนะนะแล้วต้องแสดงอภินิหารในระหว่างในระหว่างอยู่ด้วยนะนะโดยเหมือนทุกอย่างเป็นขณะเดียวกันไปหมดนะนั่นคือหมายว่าผู้ที่ฝึกจิตสําเร็จแล้วถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่สามารถทําได้ขนาดนั้นเนี่ยผู้ฟังในยุคนั้นจึงสามารถบรรลุมรรคผลได้ ได้มากานะนะแล้วก็แสดงธรรมตามจิติตามอัธยาศัยจริงๆแต่ของเราทั้งหลายที่เป็นอย่างนั้นไม่ได้ทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่านี่บอลเนี่ยมันบันทรนซะจนกระปลกกระเปี้ยไปหมดเลยนะเหมือนกับว่าร่างกายทุกคนก็ควรจะแข็งแรงใช่ไหมแต่โรคภัยไข้เจ็บมันกลุ่มรุมซะจนไม่มีค่อยมีเรี่ยวมีแรงความคิดก็เหมือนกันใช้ความคิดก็ไม่ได้นั่งนิ่ ง, งๆก็จะง่วงเต็มทีตื่นขึ้นมาก็ฟุ้งต่ออย่างไงมันก็ยัง แล้วก็การฟังธรรมนี่ก็นับว่าช่วยเป็นอย่างมากะนะหรือหรือถ้าผู้ใดที่มีความสามารถสูงถึงกระตึกได้สาธยายได้อะไรได้ก็ก็ถือว่าเก่งละแต่ว่าถ้าเป็นการฟังนี่ก็นับว่าเบื้องต้นเลยในคำพีหลายแห่งกล่าวว่าพระอรหันต์เนี่ยชอบฟังธรรมนนะแม้แต่พระอรหันต์ก็ชอบฟังธรรมแต่ก็คงไม่ลืมใช่ไว่าฟังอันนั้นฟังอะไร อารยศาสตรเขาบอกว่าบัณฑิตทั้งหลายฟังอริยศาสตร์ฟังอยู่ร้อ ย, ยปีก็ไม่เบื่อเนี่ยนะของเราดูว่าคิดอริยศาสตร์ในี่ใกล้จะเบื่อหรือยังก็ก็แสดงว่าไม่ใช่บัณฑิตใช่ไหมตอนเบื่อก็ไม่ใช่บัณฑิตเพราะการฟังทำตามการนั้นพึงทราบว่าเป็นมงคลเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเหตุประสบผลวิเศษนาน า, นาประการมีการละนิวรห้าละนิวรห้าขณะฟังใช่ไหม แล้วก็ได้อันนี้สองสี่แล้วก็บรรลุธรรมะเป็นที่สิ้นอาสวะเป็นต้นเนีย่ยนะเพราะฉะนั้นยงท่านยกตัวอย่างในนิวรณานินวรณานิวร ณ, วรณสูตรเนี่ยนะเล่มสามสิบไปดูเอานะเล่มสามสิบหน้าหนึ่งร้ยห้าสิบสี่ห้าสิบห้าเนี่ยยกตัวอย่างว่าดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายสมัยใดพระอริยาสาวก ใส่ใจทำให้เป็นประโยชน์รวบรวมทุกอย่างไว้ด้วยใจเงี้ยโสดฟังธรรมสมัยนั้นนิวรณห้าของพระอริยาสาวกนั้นย่อมไม่มีพพโพชงเจ็ดย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์นะันนก็ขณะที่เงียบประมวลจิตทุกชนิดขึ้นมาเพื่อที่จะฟังธรรมโดยที่ไม่สนใจในเรื่องอื่นเลยเนี่ยนะมุ่งไปสู่การฟังอริยสัจจะธรรมเนี่ยนะพันขณะที่เงี่ยโสดลงฟังอย่างนั้นนิว นิวอนนี้สงบระงับหมดโพชงประชุมกันขึ้นนันสามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้สมัยพุทธกาลที่เขาบรรลุมรรคผลเนี่ยเนื่องจากเขาทำอย่างนั้น น, นของเราเคยไม่อ่านสูตรใดแล้วประมวลจิตทั้งหมดเพ่งไปที่สูตรนั้นแล้วเจริญคุณธรรมให้มีตามที่สูตรนั้นแสดงเราเคยตั้งอัตตาส ม, มาปนิธิอันนี้หรือยังว่าสูตรนี้นี่แหละจะทาให้เราตรัสรู้นะ ถ้าทำหมวดนี่แหละที่เราจะทำให้เราบรรลุคุณชูศรีจะบรรลุเลิกเกินเนี่ยนะตั้งอย่างนั้นหรือยังเงียบเลยไม่ยังไม่ออกความเห็นเลยนนคือถ้าผู้ที่ปรารถนาความพ้นทุกข์จริงๆนะปรารถนาบนรรลุจริงๆต้องทำเช่นนั้นอันนี้บอกวิธีให้อะนะแต่ของมาก็ยังทำไม่ได้ อ, ไอันนี้เดี๋ยวจะได้กล่าวต่อไป ส่วนอันนี้สองสีประการเนี่ยนะก็ดูในโสตานุนขตะสูตรเนี่ยนะโสตานุขตะสูตรอังคุตรนิกายจตุกนิบาทเล่มที่สันปกนะนัมเบอร์35หน้า470หน้า 70, มหาวัคที่5โสตานุขติเอ่อโสตานุขตะสูตรข้อ19 191พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูความพิสูจทั้งหลาย อันนี้สงสี่ประการแห่งการฟังธรรมที่บุคคลฟังเนืองๆคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้ว ย, วยทิฐิอันบุคคลนะนะั้นพึงหวังได้อันนะอันนี้สงสี่ประการนะที่ฟังอย่างดีมาเนี่ยเป็นการชีตฟังไว้แล้วคล่องปากขึ้นใจด้วยนะแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฐิสี่ประการนี่เป็นไนะ ดูก่อนพิสูจทั้งหลายพิสูจนในธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนธรรมะคือสุตะขยะเวยาการณาคาถาอุท า, านอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทละธรรมะเหล่านั้นอันภิกษุนั้นฟังเนืองๆคล่องปากขึ้นใจได้ฟังยังไงนะจนคล่องปาก น, นะเป็นสำนวนอย่าไปคิดอะไรมากเพราะฉะนั้นเมื่อฟังจนคล่องปากขึ้นใจอย่างนี้แล้ว แทงตลอดด้วยดีด้วยทิฐิหมายถึงว่าฟังแล้วเข้าใจเหตุผลอย่างพะลุโปร่ปรง น, นะนะเป็นการฟังแบบทุกคำไม่มีตกหลน่นนะนะแล้วก็แทงตลอดด้วยดีเข้าใจทุกคำทุกพยัญชนะเนี่ยนะเธอมีสติหลงลืมคำว่ามีสติหลงลืมในที่นี้แปลว่าตายแบบปุตุชนนะนะปุตุชนตายเนี่ยนะสูตรนี้เนี่ยโสตานุกตะสูตรถือว่าหลงลืมสติตายเพราะเป็นปุตุชนตายเนี่ยนะ เมื่อกระทำกาละย่อมเข้าถึงเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งหมายถึงว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่เรียนพระธรรมไว้เป็นอย่างดีแล้วก็รักษาจตุปริสุธทธิ์ศีลแล้วก็ตั้งอยู่ในศีลอนบริสุทธิ์ตายแล้วก็เกิดในเทวโลกบทแหงท่งธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขในภพนั้น คือเนื่องจากว่าตอนเป็นมนุษย์นะร่างกายอาจจะไม่ค่อยพร้อมใช่ไหมสุขภาพอาจจะไม่ค่อยดีเวลาไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยก็ได้รูปที่สมบูรณ์รูปที่บริบูรณ์เมื่อได้รูปดีบริบูรณ์สมบูรณ์สติปัญญาก็ก็ดีเพราะฉะนั้นบทแห่งธรรมที่เรียนเอาไว้ตั้งแต่มนุษยโลกเนี่ยนะปรากฏดุดกระจกใสนึกยังไงก็ทะลุปลุกปลงไปหมดสติของเธอบังเกิดขึ้นช้า แต่สัตว์นั้นย่อมเป็นผู้บรรลุคุณนะวิเศษเร็วพลันสติเกิดช้าหมายถึงว่าระลึกถึงพุทธพจน์ได้ช้าแล้วก็เจริญอริยมรรคได้ช้าแต่บรรลุพระนิพพานไม่นานเนี่ยนะดูความพิสูจน์ทางหลายนี้เป็นอนิสงส์ประการที่หนึ่งแห่งการฟังธรรมที่บุคคลฟังเนืองๆคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฐิอันบุคคลพึงหวังได้เรียนไปเธอเนี่ยนะทรงจําเอาไว้ได้เนี่ยชาติหน้าบรรลุเร็วแน่นะ ไม่ต้องกลัวอะไรเลยขอให้เรียนเอาไว้ดีดๆเถอะชาติหน้าต้องบรรลุเร็วแน่เหมือนันนะเนี่อันนี้เป็นอันนี้สองข้อแรกนะเป็นเทวดาได้อูโตสปายะอาหารสปายะได้ชาวนะใหม่บางทีที่เราอาจจะยังไม่ได้บรรลุชาตินี้เพราะว่าชาวนะมวแต่ทวีเหตุกะอยู่นะนะชาติถ้าชาตินี้ท่องเอาไวด้ดีจำเอาไวด้ดีตีเหตุกะนําเกิดก็บรรลุเร็วอย่างเงี้ยนะก็ไม่แน่นะไม่แน่ เีกประการหนึ่งพิสุย่อมละเรียนธรรมะคือสุตตะคขยะวยากรณะคาถาอุทานิติวุตกะชาตกะภูตธรรมเวทละธรรมะเหล่านั้นเป็นธรรมะอันพิสุนั้นฟังเนืองๆคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิเธอมีสติหลงลืมอันนี้หมายถึงตายแบบปุตชนอีกเมื่อกระทำกาละย่อมเข้าถึงเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งบทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมไม่ปรากฏแกเธอ ผู้มีความสุขอยู่ในภพนั้นเลยลืมสนิทเลยเนราะพอไปได้กรรมฐานที่ดีเยี่ยมลืมสนิทหมดเลยนะแต่เอแต่ภิกษุผู้มีฤทธิ์ถึงความชำนาญแห่งจิตแสดงธรรมแกเทพบริษัทเธอมีความปริวิตกอย่างนี้ว่าในการก่อนเราได้ประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยใดนี้คือธรรมวินัยนั้นสติบังเกิดขึ้นช้าแต่ว่าสัตว์นั้นย่อมบรรลุ ค, คุณวิเศษเร็วพลัน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษผู้ฉลาดต่อเสียงกลองเขาเดินทางไกลเพึงได้ยินเสียงกลองเขาไม่พึงมีความสงสัยหรือเครือบแคลงว่าเสียงกลองหรือไม่ใช่หนอที่แท้เขาพึงถึงความตกลงใจว่าเสียงกลองทีเดียวฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเล่าเรียนพระไตรปิฎกเนี่ยนะก็สามารถที่จะบรรลุคุณวิเศษเพราะได้ยิน พระพิสุบางรูปที่มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงอริยสัจในสวรรค์เนี่ยนะไม่บรรลุเองหรอกแต่ว่าพระภิสุแสดงเลยบรรลุเลยอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นอา น, นิสงส์ของการเรียนธรรมะเอาไว้ดีอย่างที่สองส่วนอย่างที่สามนิยต์ที่สามว่าโดยรวบรัตก็คือเทพพบุตรรูปท่านใดท่านหนึ่งในสวรรค์นั่นแหละแสดงคำให้ฟังก็บรรลุอีกนะเทวดาแสดงเทวดาก็บรรลุกนะงั้นผู้การไม่ต้องเสียใจไปเรียนต่อที่นั่นได้ นะก็สามารถเรียนที่นั่นได้สบายๆนะ<ไ>ก็เรียนชาตินี้เอาไว้ให้ดีๆก็แล้วกันเน่ยนะไม่ใช่ไปถึงโน้นก็ลืมหมดเลยนะม<ไ>ันลำบากมันก็ถ้าเรียนเอาไว้เป็นอย่างดีแล้วไปถึงโน้นก็ไม่น่ามีปัญหานะไปเรียนต่อได้อีกเลยมีเด็ก น, นางฟ้าทั้งนั้นอ่าทุ่มมอนี่มีผู้ชายห้คนอันี้นะหายเปไหนหมดไม่รู้ผู้ชายวันก่อนนะ<ไ>นั่งรถไปกับอาจารย์สันติอาจารย์สันติ เคยไปแสดงคำที่เรือนจำอะนะบอกโอ้มาอยู่นี่กันหมดเลยมันนั้นมีหน้าละอยู่นี่ทั้งหมดเลยนะปัหนหาเห็นใจนะก็ผู้ชายน้อยๆ น, ยนี่พวกเราหลุดมาได้ยังกันนบะว่าแหมมีบุญมากแล้วเนี่ยต้องทำบุญต่อไปส่วนในที่สามในที่สามในที่หนึ่งนะคือไปเกิดในสวรรค์แล้วบรรลุเองเลยใช่ไหมพอเรียนไว้ดีข้อสอง พิษุไปแสดงแล้วบรรลุเปรียบเหมือนฉลาดในเสียงเสียงกลองในที่สามเทวดาด้วยการแสดงแล้วบรรลุประดุดผู้ฉลาดในเสียงสังนะผู้ฉลาดในเสียงสังส่วนในที่4ี่อีกประการหนึ่งก็เรียนพระไตรปิฎกไว้าว่าอย่างช่ำชองเนี่ยน ะ, ะพิสุแต่เทพบุตรนั้นถูกเทพบุตรอื่นตักเตือนนะนะแต่เทพบุตรผู้เกิดก่อนตักเตือนเทพบุตรผู้เกิดทีหลัง นะเทวดาที่เขาอายุยืนกว่าใช่ไหมเขาเห็นเราไปเกิดแล้วมัวแต่พลันในกามอยู่นั่นท่านก็เลยเตือนเราว่าท่านผูน้เนรทุกย่อมระลึกได้หรือว่าเราได้ประพฤติพรหมจรรย์ในการก่อนเธอกล่าวอย่างนี้ว่าเราระลึกได้ท่านผูน้เนรทุกข์ท่านผูน้เนรทุกสติบังเกิดชา้าแต่ว่าสัตว์นั้นย่อมบรรลุคุณวิเศษเร็วพลันนั่นะนะก็ถูกเตือนนะนะถูกเทวดาด้วยกันเขาเตือนนะนะมาชี้ชัดเลยเมื่อก่อนท่านไม่ได้เป็นอย่างนี้นะใน สกปรปัญหาสู่ใช่ไหมชื่อเทพบุตรชื่ออะไรโคปากาเทพบุตรือชื่ออะไรอนนะ เ, เทพเทพประบชื่อว่าโคปากาใช่ไหมเตือนพระภิกษุสามรูปอะ่ะคือเขามีมีตอนที่เทวดาเนี่ยนะเทวดาชั้นจ่าตุมเนี่ยเข้าไปเฝ้าเท้าสักกะทีนี้มันมีเทวดาชั้นจาตุมอยู่สามท่านพิเศษกว่าคนอื่นรัศมีมากกว่าคนอื่น เป็นต้นอะ่ะแต่ว่าเป็นเทวดานักร้องเ น, นะเทวดานักร้องโมแต่เพลิดเพลินแต่ว่ามีเดทมีรัศมีมากกว่าคนอื่นมากเลยนะโคภักะิ์เทพบุตรเห็นแล้วก็สงสัยเอ๊ะเทวดาสามท่านนี้ทําไมมีมีเรียกรัศมีมากเหลือเกินตรวจ ด, ดูอ้าวนี่ภิกษุที่เคยไปฉันอาหารที่บ้านประจํานี่นะมาเป็นนักร้องอ่ะนะก็เลยเตือนว่าสท่านเมื่อก่อนท่านไม่ได้เป็นอย่างนี้แบบนั้นก็เลยเตือนเตือนแล้วก็สองรูปบรรลุเลย อีกรูปหนึ่งขอเป็นนักร้องต่อไปนั่นะนะ่ะติดเป็นนักร้องนะเพราะฉะนั้นเทวดาเขาก็เตือนกันก็บรรลุได้ในตอนหลังนั้นของเราก็ถ้าเรียนไว้ดีนี่ไม่น่ามีปัญหาเลยนะบางทีอาจจะบรรลุได้เองก็ได้สองฟังธรรมที่ภิกษุแสดงก็บรรลุได้อย่างที่สาม นนะเทพบุตรแสดงก็บรรลุได้ประดุดุรุษผู้ฉลาดในเสียงสังท่านในที่สี่ท่านบอกว่าเหมือนสหายสองคนเคยเล่นฝุ่นด้วยกันมาพบกันในบางครั้งบางคราวในที่บางแห่งสหายคนหนึ่งก็พึ่งกล่าวกับสหายคนนั้นอย่างนี้ว่าสหายท่านระลึกถึงกรรมแม้นี้ได้หรื อ, อ น, นะเคยเพื่อนเล่นฝุน่นนะก็ท้ามถ่ายถึงอดีตด้วยกันก็จัดอบได้ สรุปว่าทั้งสี่ประการนั่นก็เป็นอา น, นิสงส์ของการฟังรรทำที่ฟังเอาไว้เป็นอย่างดีจนเกิดความรู้เกิดความเข้าใจจนคล่องปากและขึ้นใจเนี่ยนอันนี้ก็เป็นอา น, นิสงส์ของการฟังทำไว้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นถ้าทำเนี่ยเรียนไปเธอก่อนที่ไม่มีโอกาสจะเรียนเนี่ยเ น, นถ้าเรียนเอาไว้ดีก็ชาติหน้าก็บรรลุเร็วนเอ